จงภากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่เก้าผู้สมควรเป็นอริยประพุทธภาสิตนะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัพปานานังอริโยติปะวุจจติ แปลว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะชื่อว่าเป็นอริยะหาได้ไหมแต่เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงสมควรได้นามว่าอริยะอธิบายความว่าอริยะแปลว่าประเสริฐสูงส่งห่างไกลาจากข้าศึกคือกิเลสแต่คนจะประเสริฐสูงส่งเพียงเพราะชื่ออริยะก็หาไม่ได้แต่จะประเสริฐ สมชื่อก็ต่อเมื่อได้เว้นแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ในอินเดียเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นพวกคนอินเดียใช้แรงสัตว์อย่างทารุณเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมา้าวัวควายหรือลาเลี้ยงอย่างเร็วแต่ใช้งานหนักอย่างที่เราไม่เคยได้พบเห็นในเมืองไทยเคยเห็นควายลากเกวียนบรรทุกของหนักจนล้มลงตาย บัวก็เคยเห็นและจะหวบัวควายที่มองดูสุขภาพดีนั้นยากส่วนมากผอมเห็นโครงกระดูกได้ชัดคอที่ลากเกวียนนั้นถลอกแล้วถลอกอีกจนกลายเป็นแผลถึงกระนั้นก็ยังต้องลากเกวียนขนาดเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เทียมสองตัวบ้างตัวเดียวบ้างรถม้าที่ลากคน ม้าตัวเดียวสารถีบรรทุกคนเสียถึง 9- ถึงสิบคนวงเล็บคนยิ่งมากเจ้าของก็ได้เงินมากเพราะคิดเป็นรายคนมันเหนื่อยและหนักอย่างยิ่งแต่มันทนอำนาจแท้ไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ไหวล้มลงตายก็เคยมีคนเห็นการใช้ลาก็เหลือแรงเหมือนกันเมื่อใช้ขนของแล้วยังมัดขาไว้ซะอีก เพื่อไม่ให้มันหนีอย่าว่าแต่สัตว์เลยการใช้แรงงานคนก็ทารุณหนักหน่วงอย่างไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้ในเมืองใหญ่ๆที่มีพลเมืองมากเชก่นกันกันตตานั้นการใช้แรงคนลากล้อเลื่อนแทนวัวและควายเป็นไปอย่างหนักหน่วงสุดจะพนันาได้คนพวกนี้ผิวดำผอมเกรงมีแต่ผ้าเตี่ยวพื้นเดียวผ่นกาย ถูกแดดในหน้าร้อนแผดเผาให้ดำมะม่วง ม, มีเหงื่อโซมกายเป็นต้นเคยได้ยินหลายคนพูดว่าพวกยินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นถืออหิงสาวงเล็บการไม่เบียดเบียนเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างเข้มงวดแต่เมื่อไปเห็นการใช้แรงสัตว์หรือแรงคนของพวกเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเบียดเบียนสัตว์อยู่ทุกวัน อาจจะเป็นเพราะความยากจนนั่นเองทำให้พวกเขาคิดถึงแต่เงินรายได้ที่อาศัยสัตว์เป็นผู้ช่วยหาแล้วลืมความปรานีที่จะพึงให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพเหล่านั้นเสียสิน้นพระาศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เพราะทรงปรารพผรานเบ็ดคนหนึ่งชื่ออริยะมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมัก ของนายพรานเบ็ดชื่ออริยะจึงเสด็จไปบินฑบาตในบ้านใกล้ประตูทิศอุดอแห่งเมืองสาวถีพรานเบ็ดเห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนไม่ห่างจากพรานเบ็ดเท่าใดนักตรัดถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไร พระสาวกเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคลานะเป็นต้นนายพรานเบ็ดได้ยินดังนั้นคิดว่าพระสนณะโคดมตรัสถามชื่อของพระสาวกทุกองค์อีกสักครู่คงจะถามชื่อเราพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจ้าค้าดูก่อนอุบาสก ผู้ที่ยังฆ่าสัตว์อยู่เช่นท่านจะชื่ออริยะหาได้ไหมผู้ชื่ออริยะควรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะเตนะอริโยโหโติเป็นอาธิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาในพรานเบ็ดชื่ออริยะได้บรรลุโสดาปติพลนี่ตรงนี้แหละที่เรียกว่า ชื่อนั้นสาคัญชะไหนนีชื่อไม่ได้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของคนได้แต่การประพฤตินั้นต่างหาก เ, เ่ชื่อก็เป็นเพียงส ม, มุิอย่าหลงติดกันมากนักนชื่ออะไรพอฟังเรื่นหูก็ใช้ได้แล้วหละนความประพฤติต่างหากคนชื่อดีๆผิดศีลผิด ธ, ธรรมก็เยอะแยะไป เ, เอาแต่ความไพเลาะเพราะพริ้ง หลักธรรมคำสอนของพระุทธเจ้านี่ก็คือความประพฤติ ท, ที่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้เหมือนคนนี้ชื่ออริยะนแต่การกระทาไม่สมกับชื่อเนี่ยอย่างเบียดเบียนอยู่เนี่ยสิบไม่ควรวางใจพระพุทธภาสิทธณสีลับพัตมัตเตนะ พาหุสัจเจนะวาปณะอัธวาสมาธิลาเพนะวิวิตตสยเนณนะวาสุภุสามิเนคัมมะสุขังอปุทชนะเสวิตังภิกุวิสาสมาปาธิอ ป, ปโตอาสวัคยังแปลว่าภิกษุผู้ยัง ไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดพาหุสั จ, จะการได้สมาธิการนั่งนอนในที่อันสงัดหรือเราถูกต้องเนคคำมัสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้แล้วอธิบายคําว่ายังไม่ถึงความสิ้นอาสวะนั้นคือยังไม่ได้บรรลุพระรหัส ยังไม่สิ้นกิเลสเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นก็ไม่ควรนอนใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีวัดดีแล้วเช่นมีธุดงค์คคุณอย่างใดอย่างหนึ่งเราเป็นพระหุสูตรได้สดับตรับฝังมาทรงปิดกสามเราได้สมาธิแล้วเรานั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดหรือโดยที่สุดไม่ควรวางใจว่า เราได้ถูกต้องเนคัมมะสุขอันปุตุชนเสพไม่ได้แล้วเนคัมมะสุขอันปุตุชนเสพไม่ได้ในที่นี้พระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความสุขของพระอนาคามีอันไม่เจือด้วยกามคือแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ควรประมาทนอนใจว่าภพของเราเหลืออยู่น้อย ที่สรงสอนไม่ให้นอนใจก็เพราะว่าพบแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนอุจจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงสนรเสริญพบบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ควรประมาทไม่ควรวางใจในเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพราะความประมาทนอนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยอาจทาให้ประสบความเสื่อมใหญ่ได้ เหมือนวางใจในไฟดวงเล็กๆว่าไม่เป็นไรแต่หากไฟดวงเล็กนั้นได้เชื้องามเข้าถูกลมพัดแต่พอดีไฟก็จะโฮมแรงใหญ่โตขึ้นความใกล้ชิดระหว่างชายหญิงที่ไม่ควรใกล้ชิดนั้นต้องระวังอย่างมากเช่นภรรยาหรือสามีผู้อื่นชายหญิงที่เป็นญาติกันหรือเกี่ยวดองทางเขยสะภ้ยหรือเด็กสาวกับชายสูงอายุ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้จิตใจเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกเวลากิเลสมันฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วอายุก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีเชื้อชาติสกุลวงก็ไม่มีมันมีแต่ความมืดมีแต่สัญชาตญาณของสัตว์โลกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทากิเลสที่ฟูขึ้นมาได้เพื่อสนองความอยากอันเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายหนึ่ง จัดเจนเวทีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนต่อโลกอยากรู้อยากลองเรื่องก็ไปจบลงที่ความเสียใจของคนทุกฝ่ายบรรพชิตหรือพระกับสตรีก็ไม่ควรวางใจสตรีไม่วางใจว่าท่านเป็นพระและเข้าใกล้ชิดสนิทสนมเกินไปเพราะพระส่วนมากก็ยังมีราคะโทสะโมหะท่านอาจจะเกิดกำนัดหรือเกิดหลงขึ้นมาได้ ส่วนพระก็ไม่ควรวางใจในสตรีเกินไปว่าเขามาด้วยศรัทธาเลื่อมใสแล้วให้ความสนิทสนมเกินไปอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเจือด้วยความรักนั้นผิดกันแต่พระบางท่านหรือส่วนมากก็ดูไม่ออกเพราะความอ่อนต่อโลกกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใจของทั้งสองฝ่ายก็ได้ถลำลึกลงไปเสียแล้วยากแกการถอน ต้องเหม้นขาวไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายรวมความว่าต้องไม่ประมาทไม่วางใจในเหตุการณ์หรือบุคคลแม้คนที่มีเงินมากก็ไม่ควรประมาทว่ามันจะไม่หมดถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังและใช้อย่างเดียวโดยไม่หารายได้มาชดเชยที่จ่ายไปบ้างเรื่องเศรษฐีต้องกลายเป็นขอทานและขอทานกลายเป็นเศรษฐีได้นั้นมีตัวอย่างให้ดูอยู่ในทุกชาติทุกภาษา เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้ได้ยินว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกคิดว่าพวกเรามีศีลสมบูรณ์บางพวกคิดว่าพวกเราทรงทุดงขคุณพวกเราเป็นพระหุสูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะสงัด พวกเราได้ฌานพวกเราจะบรรลุพระอรหัตผลได้โดยไม่ยากเราอาจจะบรรลุได้ในวันที่เราปรารถนานั่นเองพวกภิกษุที่เป็นอนาคามีก็คิดว่าบัดนี้อรหัตผลเราได้ไม่ยากวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไปเฝ้าพระาศาสดาพระองค์ตรัสถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้มีศีลพวกข้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดมีธุดงเป็นต้นพวกข้าพระองค์เชื่อว่าจะสามารถบรรลุพระอรหัตได้ในวันที่ปรารถนานั่นเองพระาศาสดาสงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นประมาทจึงตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุไม่ควรเห็นว่า ทุกในพบของพวกเราน้อยด้วยมีคุณสักว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้นหรือด้วยคุณสักว่าความสุขของพระอนาคามีเมื่อยังไม่สิ้นอาสะวะก็ไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงสุขแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นว่าภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสะวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผลวักที่19ชื่อธรรมทวักพระวันน า, นารวมสิบเรื่องจบเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นขอเตือนใจท้งพระท้งญาติโยมด้วย บางทีเหินห่างจากการศึกษาบางทีคิดว่าปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่เตือนใจมีน้อยก็เลยทำให้เกิดความประมาทได้ง่ายในเรื่องคำสอนที่พระองค์ทรงประทานไว้ก็มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติการได้ทบทวนการได้คิด การได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เตือนสติเนี่ยไม่หลงระเลิงเกินไปเนี่ยไม่หลงหรือไม่ลืมว่าเรานั้นได้เข้ามาถูกทางแล้วเ่เข้ามาถูกทางถ้าไม่เดินตามทางมันก็ผิดทางอยู่นั่นเองเี่แล้วก็อีกประการหนึ่งที่ท่านเตือนว่าเราอย่าหลงยินดีว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้ว ไม่ควรลงยินดีว่าเรามีสมาธิหรือเรามีความรู้เป็นผหุสูตรเนี่ยเียผู้เป็นผู้รู้ธรรมแต่ยังไม่เห็นธรรมรู้ธรรมะการรู้ธรรมะการศึกษาการเรียนรู้อย่างนี้มันรู้ได้เนี่ยแต่ว่าการที่จะปฏิบัติเพื่อละจริงๆมันเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นอีก ดังพระพุทธพจน์นี้ก็เป็นข้อเตือนใจนี่การเอามาทบทวนเนี่เล่าสู่กันฟังก็ทำให้เราได้สติได้ข้อคิดหรือสำหรับผู้ใหม่ก็ได้ข้อคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์20ว่าด้วยมรก 1. อริยมรดกพระพุทธพาสิทธ มักขานัตถังคิโกเศธโธสัจจานังจตุโรปทาวิราโคเศธโธธรรมานังทิปทานันจะจักขูมาเอเสวะมักโคนตถันโยทัศนันสวิสุธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะมาระเสนับปโมหังเอตันหิตุมเหปฏิปันา ภุกขสันตังกฤิสตต์อักขาโตโวโมะยามาโโัคโคัญญายะสันละสัทธนังตุมเหหิ จ, จิตังอาตปังอักขาตาโรตถาคตาปฏิปั น, นาปะโมคขันติชายิโนมารพันธนาแปลว่าบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์แปดประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์ทั้งหลายบทสวงเล็บคืออริยสัตสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะท่านทั้งหลายจงดำเนินไปตามทางนี้ อันยังมารและเสนามารให้หลงเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้เราทราบทางอันเป็นที่สลัดลูกศรคือราคะเป็นต้นแล้วบอกแก่ท่านทั้งหลายไว้แล้วความเพียรเครื่องเผาบาบท่านทั้งหลายต้องทำเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นบุคคลผู้ดําเนินไปตามทางนี้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาน อธิบายทางประกอบด้วยองค์8นั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นปริโยสารทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวอริยมรรคส่วนตัวอริยมรรคนั้นท่านว่าหมายถึงสัมมายานคือความรู้ชอบบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8นี้ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นทางนำเป็นสู่อมตะคือความไม่ตายนำออกไปจากวงเวียนแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่พูดถึงอริยมรรคหรือมรรคนี้เราไม่ควรพูดว่ามรรคแเราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8ปดหรือประกอบด้วยองค์8เพราะมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นคือสัมมาญาณส่วน8นั้นเป็นองค์ประกอบอุปมาเหมือนทางสายหนึ่งทด้วยเครื่องประกอบ แปดประการเป็นต้นบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจสี่ประเสริฐที่สุดอริยสัจแปลว่าสัจจะอันประเสรศิฐมีสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในธรรมจักกปะปวัตนสูตรแสดงทุกข์ไว้สิบเอ็ดก่องคือ 1. ความเกิด 2. ความแก่ 3. ความตาย4ความโศก5ความร่าไรลําพัน์ 6. ความทุกข์กายเจ็ 7. ความทุกข์ใจแปดความคับแค้นใจ 9. ก้าความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาสิบความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักสิบเอ็ดความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นทุกข์ขั้นรวมยอดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์องค์ธรรมคือตัณหา หรือความดิ้นรนทยานอยากมีสมประเภทคือกามภวะวิภวะกามตัณหาความอยากความดิ้นรนในกามภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในพบในความเป็นวิภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในความไม่เป็นความอึดอัดรําคาญในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาในขณะนั้นอนิโรธ คือความดับทุกข์โดยใจความคือดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหาเสียได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานมักได้แก่อริยมักมีองค์8ดังกล่าวแล้วอริยสัจสี่ประการนี้ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายเพราะทาคนผู้บรรลุแล้วให้เป็นอริยะข้ามพ้นสังสาระสาคร สมดังที่พระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจส์่เราและท่านทั้งหลายจึงเล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลลนานภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ได้แทงตลอดอริยสัจส์4แล้วตัณหาในภพอันเราและท่านทั้งหลายได้ตัดขาดแล้วตัณหาอันนาไปสู่ภพสิ้นแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราและท่านทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะทรงรู้อริยสัจว์่สมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอันบัณฑิตเรียกว่าอารหันตัสรู้เองแล้วเพราะตถาคตรู้อริยสัจทั้งสี่โดยชอบตามลำพังตน บันดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะคืออาการของจิตวิราคะนี้เป็นไวยพ์คือคำแทนชื่ออย่างหนึ่งของนิพพานราคะทรงแสดงว่าเป็นสิ่งนอกทางคือนอกอริยมรดังนั้นวิราคะจึงเป็นสิ่งในทางเป็นธรรมอันประเสริฐราคะเป็นทุลีภายในวิราคะเป็นธรรมปราศจากทุลี ราคะเสียดแทงใจวิราคะเหมือนอาการถอนหนามที่เสียดแทงใจเหมือนการถอนลูกศร อ, ออกราคะเป็นความมัวหมองวิราคะเป็นความผ่องแพ้วบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดโดยอธิบายว่าสัตว์สองเท้าเช่นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นไม่มีใครเลยในโลกทั้งปวงที่ประเสริฐโดยคุณธรรมเทียบเท่าพระตถาคต ผู้มีจักสุหคือมังสะจักสุทิพทะจักสุปัญญาจักสุพุทธจักสุและสมันตะจักสุมังสะจักสุนั้นคือตาเนื้อธรรมดาแต่ทรงเห็นได้ไกลเห็นได้ไวทิพทะจักสุนั้นคือตาที่มองเห็นได้ในระยะไกลเหนือวิสัยของตาเนื้อธรรมดาทรงเล็งเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นต่า ง, างกันเพราะอานาจกรรมด้วยจักสุนี้ ปัญญาจักสุหมายถึงปัญญาที่ทรงเห็นธรรมที่ควรรู้มีอริยสัจสี่เป็นต้นพุทธจักสุแปลว่าจักสุของพระพุทธเจ้าเช่นที่ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวนยสัตว์ว่าอย่าประณีตอย่างไรควรโปรดด้วยธรร ม, มเทศนาอย่างใดสมัญตะจักสุที่ทรงทราบธรรมทั้งปวงกล่าวคือพระสัพพยุตยานทรงรู้รอบด้าน ด้วยเหตุที่ทรงมีจักสุดังกล่าวนี้จึงทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงย้ำให้เห็นความสำคัญของอริยมรตมีองค์แปดว่าทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะเป็นทางอันธรรมมานและเสนามารให้หลงตามผู้ปฏิบัติตามมรตนี้ไม่พบ สามารถสลัดลูกศรมีราคะเป็นต้นให้หมดไปทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างไรก็ตามส่งเตือนว่าความเพียรเครื่องเผาบาปนั้นท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะพ้นจากเครื่องผูกของมารเครื่องผูกของมารคือวัตตะในภพสามนั่นเองกล่าวคือกามาพรูปประพบอรูปพ เป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้วนเวียนอยู่หมกอยู่จมอยู่ทรงปรารภพิสุธิกษุ5ร0รูปตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พิกษุเหล่านั้นตามเสด็จพระาศาสดาจาริกไปในชนบทต่างๆแล้วกลับมาสู่เมืองสาวัตถีเพื่อพำนักอยู่ที่วัดเชตวันสนทนากันถึงทางที่ตามเสด็จไปว่า ทางจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นสม่ำเสมอทางจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นไม่สม่ำเสมอมีกรวดไม่มีกรวดเป็นต้นพระศ า, ศา ส, สดาสเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกภิกษุควรทากรรมในอริยมรรคอันเป็นทางภายในเพราะเมื่อทำอย่างนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดเป็นอาทิเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลพระองค์แสดงทัพแต่ละครั้งนี่ขอเจาะจงเข้าไปสูุปณิสัยของเวนยสัตว์เนฉะนันเวลาจบพระธรรมเทศนาส่วนมากก็ได้บรรลุธรรมน ขันสูงสุดด้วยบรรลุพระอรหัตตผลนะอย่างน้อยก็บรรลุโสดาปฏิผลนะอย่างนี้เราฟังเยอะเหมือนกันเนาะแต่บ ร, รรลุทมขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันฟังธรรมเข้าใจในธรรมนะฟังธรรมแล้วน้อมนำธรรมไปปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดผลคือให้ได้ริมรถแห่งธรรมนะธรรมอย่างน้อยให้ซึมทราบก็พิสูจน์ จิตใจเนี่ยให้เห็นอานิสงค์ของธรรมนถ้าซืมทราบ้าไปสู่จิตใจแล้วเราเห็นคุณค่าของธรรมเนี่ยก็จะชักนำให้เราพอใจในการปฏิบัติธรรมมีความสำคัญในธรรมมีความละเอียดมีความลึกซึง้ง